กับอีกเหตุการณ์หนึ่งในเรื่องของจิตวิญญาณในช่วงที่ปฏิบัติงานอยู่ที่พังงาได้มีโอกาสกลับมาที่อุดรธานีเพื่อมาร่วมงานประชุมเพลิงพระอาจารย์สว่างเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามที่โนนสะอาดอุดรธานีโดยมีองค์หลวงตาเป็นประธานระหว่างนั่งรถก็ภาวนาไปด้วยปรากฏภาพนิมิตในสมาธิเห็นผู้หญิงชาวต่างชาติอายุไม่น่าเกิน30ปีนั่งอยู่ที่ปลายเท้าคิดว่าเขาคงตามมาขอส่วนบุญ จึงแผ่เมตตาอุทิศบุญไปให้พอเดินทางมาถึงวัดพี่วัฒนาเข้ามาทักว่าไม่ได้มาคนเดียวหรอทาไมจึงมากันหลายคนก็รู้สึกง ง, งจนพี่วัฒนาเฉลยว่าเขาได้กลิ่นเหม็นศพเน่าตามมากับเราจรึงเข้ามาทักเราจรึงได้เล่าเรื่องนิมิตในสมาธิให้พี่เขาฟัง